อนาปติวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอวบคือสองร้อยห้าสิกษนูตเก็บของที่เป็นยาวะกาลิกไว้ฉันชั่วการ2อพิสูตเก็บของที่เป็นยามะกาลิกไว้ฉันชั่วยาม3าพิกษุเก็บของที่เป็นสัตตหากาลิกไว้ฉันชั่วสัปดาห์สีพิสูตฉันของที่เป็นยาวะชีวิกเมื่อมีเหตุผลสมควร5ภิกษุวิกลจริต6กพิสูุต้นบัญญัติ สันนิธิการกคสิขาบทที่8ดจบ